أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه و ن س ت ق ن السحدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات ع م, م, ل ال م ا ل ن ا ما يهده الله فلا مدلله وما يدلله فلا ه ا ر ي العماه فإن ا س ت ق ل, ت ه دي ه دي ل ا ل ح د ي ث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهنساتها أما ب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องที่รักนะครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งในช่วงของอัถยาที่ายอัลกุรอานมาทําการเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับคําพูดของ พ, พู้รับผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับผมบารัคอลลฟีกลุ่มครับคุณอเบลการีมเข้ามาทักทายก่อนเลยนะครับว่านาครศรีธรรมราชภาพสิ่งชัดเจนอัลฮามเดย์ลาบารัคอลลฟีกุมครับผมยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับเรายังคงคุยกันในส ah ุรอะล์บะละดซึ่งเป็นหนึ่งในสุรอะที่ว่า มีความสำคัญมากในมุสลิมในเรื่องของการอธิบายให้ความเข้าใจเราในด้านต่างๆที่สําคัญในการดําเดินชีวิตในฐานะของมุสลิมคนหนึ่งแล้วความเดินตอนที่แล้วครับเราได้คุยในส่วนที่พ AH ระองค์อัลลอฮฺสมารตาได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับได้ทรงกล่าวไว้ว่าอาลัมนาจัลลอฮฺอัยนัยวาลิเซนอูมูชัฟฟตัยนหลังจากที่พระองค์ลลอฮฺได้พูดถึงคุณลักษณะส่วนใหญ่ของมนุษย์ว่าเป็นคนที่ว่าดื้อดึงอวดดีคิดว่าตัวเองนั้นแน่แล้วพระองค์ลลอฮฺก็ได้บอกว่า แน่นอนแท้ที่จริงแล้วแนตะ่ผู้ที่ทําให้เขามีตามีปากเนี่ยไม่ใช่ผู้สร้างไม่ใช่อัลลอฮฺกระ น, นั้นหรือเราได้คุยกันแล้วในส่วนของอะลัมเนชันละหูอายนวเราได้ทำให้เขามีตาสองข้างไม่ใช่หรือแล้วเราก็ได้คุยกันส่วนหนึ่งของที่ว่าวาลิเซอร์โนวาเชฟเตยแล้วเราก็ได้ทําให้เขานั้นมีลิน้นแล้วก็มีริมฝีปากสองข้างซึ่งพี่น้องที่รักอย่างที่เราได้พูดคุยกันในความเดิมตอนที่แล้วครับ ลิ้นนั้นถือเป็นหนึ่งในสองอวัยวะที่ท่านนบีมุสลอยิมบอกว่าใครที่สามารถรับประกันกับท่านนบีได้ว่าเขาจะระมัดระวังในเรื่องของการใช้ลิ้นให้ดีที่สุดตลอดชีวิตของเขาแน่นอนครับควบคู่กับอีกอวัยวะหนึ่งก็คือเรื่องของอารมณ์ทางเพศท่านนบีมุสลิมบอกว่าใครสามารถรับประกันกับท่านนบีได้ว่าสองอย่างนี้เขาจะดูแลมันให้ดีที่สุดท่านนบีมุสลยิมบอกว่าท่านนั้นรับประกันสวรรค์ให้กับเขาเลย หมายความว่าพี่น้องที่รักยิ่งครับสำหรับใครก็ตามที่ว่าทําคิดว่าทําฟัดดูครบหมดแล้วบางท่านอาจจะบอกว่าเนี่ยฉันก็ละหมาดเนี่ฉันก็จ่ายสกาฉันก็ถือสิรฉันก็ทําความดีทั้งหมดแล้วเนี่ยจะได้รับความเมตตาของลอแล้วใช่ไหมคําตอบก็คือว่าต้องมาดูก่อนว่าเขาสามารถระมัดระวังลิ้นกับอารมณ์ทางเพศของเขาได้ไหมเพราะว่าหลายครั้งที่ว่าคนที่ว่าเหมือนกับว่าจะเคร่งคัดแต่ก็อาจจะไปผิดพลาดในเรื่องของชูสาว แล้วก็เช่นเดียวกันครับหลายท่านที่ว่าเหมือนกับว่าจะละหมาดจะทําอิบาร์ดาอะไรมากมายแต่ก็จะไปเผลอผิดพลาดในเรื่องของการใช้ปากเพรายหนังครับมันเป็นทั้งคุณอนันต์แล้วก็เป็นทั้งโทษมหันต์ที่ว่ามุสลิมเรานั้นต้องตระหนักแล้วก็ระวังในเรื่องของการใช้ปากครับผมซึ่งความเดินตอนที่แล้วเราเพูดถึงอันตรายที่เกิดจากปากซึ่งเราบอกว่ามีทั้งหมดอยู่5อย่างเราได้คุยไปแล้ว3อย่างก่อนที่เราจะมาเข้าในส่วนของเนื้อหาครับผมอยากขอทักทายพี่น้องที่รักก่อนนะครับผม ไม่ได้ทักทายแล้วผมคงไม่สบายใจนะครับผมพี่น้องที่รักที่เคารพทั้งนั้นเลยนะครับคุณวันนี้กำมะหยี่นะครับสลามมานะครับก็วาริกุลสลามอัลตุลลอฮฺวาบารอกาตุ้บครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับเจตนาดีๆที่ว่าเห็นว่ามีหนังสือดีๆอยากจะมาแชร์นะครับก็จะสักน็อกันนะครับผมคุณสารลาห์ยินทูนครับสลามมาแล้วก็บอกว่าหนังจอกครับเอ่อมาชาล้อนะครับบอกว่าเสียงชัดเตียงขาอัลฮัมดุลิลละก็ อาลัยหามในรายเช่นครับคุณสลมาโมบารับิลกิสนะครับก็ได้สาละา ม, มาก็วายลิกุสาลสละมรุกตัวเล่าว่าบารกักกาดูเช่นเดกับคุณนะ้าสี่พันไปดานาก็สาลามเจ้าครับวายลิกุสาลสละมตุกัวเล่าว่าบารกักกาตูครับผมคุณณที่รักแล้วก็รวมทั้งพี่น้องที่รักทุกท่านอ่ะใส่แว่นไม่งั้นเดี๋ยวบอกไม่ใส่แว่นแล้วดูเหมือนจะกับจาขาดๆอะไรไปอย่างนะครับผมเอาละครับพี่น้องที่รักหลังจากที่ทักทายพี่น้องแล้วเรามา เตือนสติกันต่อนะครับย้ํานะครับทุกครั้งที่ว่าเป็นเรื่องของการเตือนใดๆก็ตามที่ผมเตือนพี่น้องไปนั้นก็บุคคลแรกที่ผมเตือนก็คือตัวของผมเองก่อนแล้วก็ดวงทั้งพี่น้องที่รักทุกท่านแล้วก็ปเป้าหมายในการเตือนนั่ก็คืออยากให้เอาลอรักแล้วก็พอพระภัยในตัวเราแล้วก็เพราะผมเองอยากรอดเพราะผมเองอยากรอดผมก็อยากให้พี่น้องที่ผมรักนั้นรอดไปเช่นเดียวกันครับผมอันตรายของป่า ของการใช้ปากนะครับที่เราพูดกันไว้ในคราวที่แล้วเรามาสรุปเร็วๆนะครับสประเด็นที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอันตรายของปากทั้ง5ข้อครับสข้อนี้คือเป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราพูดเรื่องชาวบ้านนี่แหละครับผมอันแรกก็คือเรื่องของรีบะอันที่2ก็คือเรื่องของนิมิมะอันที่3ก็คือเรื่องของอลกัซอ อรรรคีบ้านเราที่พูดถึงแล้วครับคือการเพื่อเราพูดถึงใครสักคนในลักษณะในนิสัยในพฤติกรรมที่เจ้าตัวไม่อยากจะให้มีใครพูดถึงเช่นเขาอาจจะเป็นคนแคบเขาอาจจะเป็นผิวค้าเขาอาจจะใบหน้าตกกะหรือเขาอาจจะมีพฤติกรรมอะไรสักอย่างที่ว่ามันเป็นความจริงนี่แหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าไม่สมควรที่จะแพร่งพายให้ใครรู้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เรื่องพวกนี้ของคนอื่นนะครับแล้วเราเอามาพูดนี่เรียกว่าเป็นรีบ้า เช่นเดียวกันกับเรื่องของการตั้งฉายาต่างๆที่ว่าเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เจ้าตัวไม่ชอบอย่างเช่นเอาลอยายทดสอบให้ฟันเขามันไม่เท่ากันบางคนก็เป็นฟันเหยินเปนฟันเกตั้งฉายาเรียกอะไรให้กับเขาเขาอย่างที่บอกครับการพูดถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งในสิ่งที่เขาไม่ชอบในสิ่งที่เป็นความจริงถือว่าเป็นบาปใหญ่ถือว่าเป็นบาปใหญ่ก็คือเป็นอย่างในกระบายเอสซึ่งก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับบาปใหญ่คือ บาปที่ว่าด้วยตัวของมันเองเพียงพอแล้วที่จะเป็นเหตุให้คนที่ทํามันนั้นต้องถูกลงโทษ ด, ด้วยกับความคิ้วกรดของอัลลอฮฺคือแค่อันเดียวทําบาปใหญ่สักอันเดียวก็คู่ควรแล้วที่จะถูกอัลลอฮฺลงโทษเพราะฉะนั้นพอได้ยินคําว่าบาปใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับผมทีนี้ครับถ้าเราพูดถึงคนอื่นแล้วเราไปฟังเข้ามาแล้วมันดันไม่ใช่ความจริงล่ะ ดันไม่ใช่ความจริงอย่างเช่นเขาดันไม่เป๋เขาดันไม่ค่อมเขาดันไม่อะไรก็ตามแต่ถ้าไม่ใช่ความจริงครับมันจะกลายเป็นคําที่เรียกว่านามีไหมพัฒนาขึ้นมาสเต็ปสอสเต็ปแรกบาปใหญ่ใช่ไหมสเต็ปที่สท่านบีวัตสุริยทรัมบอกไว้2อย่างเลยอย่างแรกก็คือลาเยตลคอนดินเจนนันน้ำมันคนที่ว่าไปพูดถึงเรื่องของคนอื่นแล้วมันดันไม่ใช่ความจริงเนี่ยดันไม่ใช่ความจริงได้ยินมาปุ๊บรีบเอาไปพูดต่อ ท่านอบบีบอกว่าคนที่ทําพฤติกรรมนี้ที่เรียกว่าอันนัมมามจะไม่ได้เข้าสวรรค์นะอุซบิลไลมินดาลิกล้วขอเราคุ้มครองให้เราผลจากการที่ต้องอยู่ในกลุ่มของนร์มีมาซึ่งไม่ใช่แค่ไม่ได้เข้าสวรรค์ครับตั้งแต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วก็จะถูกลงโทษในหลุมฝังศพแล้วซึ่งท่านอบดุลเียวะซาลิซมก็ได้ผ่านหลุมฝังศพสอหลุมแล้วก็ได้บอกว่ามีหนึ่งในหลุมนั้นถูกลงโทษด้วยกับพฤติกรรมที่ทํามาที่ว่าชอบนร์มีมาคนอื่น มันเป็นใกล้ตัวที่ว่าทำได้ทุกคนผมก็ทําได้พี่น้องก็ทําได้ใครก็ทําได้ตลอดเวลาแล้วมันอันตรายลําดับที่3ของการพูดเรื่องชาวบ้านที่มันน่ากลัวที่สุดครับผมมีบ้าบาปใหญ่นามีมะเนี่ยไม่ได้ข่าวสวรรค์แล้วก็ต้องถูกลงโทษตั้งแต่ดู่ฝังศพอันที่3ก็คืออัลก็แบอัลก็แลก็คือการใส่ร้ายซึ่งพวะกษมณ์กล่าวในคุรานว่าคนที่ชอบใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยจะโดนลงโทษตั้งแต่ในดุนยาตั้งแต่ในตอนมีชีวิตอยู่ คือบาปอื่นมีโอกาสเตาบ้ายังมีโอกาสที่ว่ากลับเนื้อกับตัวแล้วก็รอดอยู่อย่างเรื่องของคุยเรื่องชาวบ้านหรือคุยเรื่องชาวบ้านที่ไม่ใช่ความจริงเนี่ยอาจจะรอดถ้าเตาบ้าทันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใส่ร้ายปุ๊บจะโดนลงโทษตั้งแต่ในดุลยาเลยแล้วถ้าไม่ได้เตาบ้าก็โดนที่ดูฝังศพต่อแล้วก็ไปจนถึงวันเกียรตินะอูซิบิลามิซาลิกก็ขออัลลอฮ์คุ้มครองพวกเราทุกคนให้รอดผลครับจากการ ต้องเป็นจะเป็นรีบ้าหรือนิมีมาหรือกอซับอันหนึ่งอันใดก็ตามพวกเราไม่ขอยุ่งเกี่ยวเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดมีการพูดคุยถึงเรื่องบุคคลที่3พี่น้องที่รักครับเซฟตัวเองปลอดภัยที่สุดยิ่งถ้าเกิดเขากำลังพูดอย่างอารมณ์อย่างเมามันจริงบ้างไม่จริงบ้างจริงก็โดนไม่จริงก็โดนยิ่งใส่ร้ายยิ่งโดนหนักเลยนะครับก็ ผมเตือนจริงผมเป็นห่วงตัวผมเองแล้วก็พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมต่อไปเรามาดูมหันตภัยร้ายแรงที่เกิดจากปากที่ไม่เน่าของพวกเราทุกคนเนี่ยสำหรับบางคนการที่ปากเขาเน่าอาจจะดีกว่ามันจะได้ใช้งานไม่ได้แต่พอปากดีปุ๊บเขาเอาไปใช้ให้เกิดสิ่งที่จะนําอันตรายกลับมาสู่ตัวเขานี่นก็คือบาปที่4ี่ของการใช้คําพูดบาปที่4ของการใช้คําพู ด, พดนั่นก็คือการโกหก ครอบคลุมไปถึงการเป็นพยานเท็จ2อย่างบบนี้เหมือนกันโกหกกับการเป็นพยานเท็จหนักทั้งคู่ครับผมพี่น้องทีละครับชีวิตของพวกเราในปัจจุบันในเฉพาะในสังคมในปัจจุบันเนี่ยพูดได้เลยว่าเรื่องของการโกหกเนี่ยไปที่ไหนเราก็เจอครับเปิดทีวีเปิดคอมเปิดมือถือเปิดอะไรก็ตามมีแต่ความโกหกเต็มไปหมดแล้วบางทีเราก็เคยชินกับการโกหกบางทีมีคนจะมาหาปุ๊บก็บอกรูปเอารูปไปบอกเขาว่า พ่อไม่อยู่บางทีลูกก็ซื่อไปหาเขาแล้วก็บอกว่าพ่อให้มาบอกว่าพ่อไม่อยู่ไม่รู้มีใครเคยโดนหรือเปล่านะครับผมแต่ก็เด็กพอเห็นคุณพ่อคุณแม่ทําปุ๊บก็ซึมซับบางทีก็โกหกบางทีก็อะไรก็ตามแต่ซึ่งถามว่าเรื่องใหญ่ไหมเป็นเรื่องใหญ่ครับนอกเหนือจากเป็นแบบใหญ่แล้วเรามาดูว่าความน่ากลัวของการโกหก กับพยานเท็จเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนแล้วพวกเราต้องระวังตัวกันอย่างไรบ้างจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัลอัลสลีรอห์อันหูมะอันนัรอฮ์สุลลอฮ์มุฮลลัลลอฮิวะลลอฮิอัสซาเลมกลอับดุลมันคันมันคุนฟีฮานะมุนาฟิกันข้าลิซันว่ามันคันท์ฟีฮขัสรตุมินหุมคันท์ฟีฮีขัสรตุมินนิฟากัตยาดอาฮะเจานบีมุสลิมของอัลเลาะห์สัลลัมบอกว่ามี4คุณลักษณะ มีสนิสัยมีสีรูปแบบที่ใครก็ตามมีครบสี่ข้อในตัวเขาเขากลายเป็นโมนาฟิกแบบร้อยเอร์เซนแล้วเขากลายเป็นโมนาฟิกแบบเต็มตัวแล้วท่านบิช้คําว่าโมนาฟิกกนขอลิซอนเป็นโมนาฟิกแบบเพียวๆแล้วไม่เหลือคุณลักษณะของผู้ศรัทธาแล้วทําความเข้าใจกันก่อนทําความเข้าใจนก่อน โมนาฟิกคือใครโมนาฟิกถ้าแปลเป็นภาษาไทยอาจจะแปลว่าคนลิ้นสอนแชกอาจจะแปลว่าคนกลับกอกอาจจะแปลว่าคนที่พูดอย่างแต่ว่าในใจนมันเป็นอีกอย่างความน่ากลัวของมมนาฟิกที่อัลลอฮ์กล่าวไว้สั้นๆในอัลกุรอานซึ่งแสดงเห็นถึงความน่าสะพึงกลัวสูงสุดแล้วของมุนาฟิกที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้ว่าอินนัลโมนาฟิกีน่าฟิดดาร์กิลอัชฟารีมินานาร น่ากลัวที่สุดแล้ววักนี้วักเดียวพอจบเลยพกรกะอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนมูนาฟิกคนกับกรอกหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยจะได้อยู่ในนรกชั้นต่ำที่สุดต่ำที่สุดใครอยู่ครับอิบลิสต่ำที่สุดใครอยู่ศัตรูของอลัลลอฮ์ที่อลัลลอ์เกลียดเขามากที่สุดพวกเหล่านั้นครับจะได้อยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดหมายความว่าถูกลงโทษหนักที่สุดแล้วมุนาฟิกเนี่ยจะได้อยู่กับคนพวกนี้ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นนะท่านอาบีบอกว่าใครมีสี่ข้อนี้ในตัวเป็นมูนาฟิกแบบบริสุทธิ์เรียบร้อยก็คือถ้าเสียชีวิตโดยไม่ได้เตาบาโดยไม่ได้เตาบโตาบโดยไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวก็เตรียมตัวไปเจอเหมือนกับที่อิบริสเจอเล ย, เลยก็อูซนบะิลลาวิยากลุมครับผมก็ขอล็อกคุ้ของพวกเราครับท่านอบีได้พูดถึงอะไรบ้างครับอันแรกครับอีดะตูมินาข้อหนะเมื่อมีใครมาไว้วางใจเมื่อมีใครมาเชื่อใจเขาก็หักหลัง เอิง บ, บางทีเราไว้ใจใครสักคนคนนี้มันน่าเชื่อถือนะ่าเอาไปฝากรถให้เอาฝากของให้ฝากไปช่วยทำทัวอะไรสักอย่างกับโดนหักหลังกับโดนแทงข้างหลังเลยอะไรก็ตามแต่นี่คือคุณลักษณะข้อแรกที่ถือว่าเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของการเป็นมูนาฟิกพูด ก, กับกอบที่อัลลอฮเกลียดมากที่สุดเมื่อได้รับความไว้วางใจหักหลังอันที่สองคืออะไรครับอิฮัดาบเมื่อพูดก็จะโกหก ก็คือว่าโกหกจนติดเป็นนิสัยอะครับคนที่ว่าโกหกจนติดเป็นนิสัยพี่น้องสังเกตดูคนลักษณะเด่นข้อนึงของเขาที่มีก็คือเวลาใครเล่าอะไรให้เขาฟังเขามักจะพูดติดเป็นนิสัยว่าจริงไหมจริงปะจริงเหรอมันเป็นลักษณะตามธรรมชาติที่จะออกมาสําหรับใครก็ตามที่ว่าชอบโกหกเป็นประจําพี่น้องลองสังเกตดู เพราะคนที่ชอบโกหกเป็นประจำเขาก็จะไม่เชื่อใครง่ายๆเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าใครพูดจริงหรือว่าใครพูดโกหกแตกต่างจากว่าคนที่พูดความจริงเป็นประจำน้อยมากที่เขาจะพูดว่าจริงหรอือจริงไหมจริงป่ะน้อยมากครับเพราะถ้าเขาสงสัยเขาก็ถามว่าทําไมเหรอเป็นยังไงหรอมีที่มาที่ไปอะไรอะไรยังไงมีหลากาักฐานอะไรยังไงก็ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ระวังนะครับก็เตือนไว้ก่อนนะครับผมอ่ะอันที่สองนี่คือประเด็นที่เราพูดแล้อิดาฮัตดักกัสีบาเวลาพูด เขาก็จะโกหกบางทีไม่จําเป็นต้องโกหก็กโกหกยันเคยชินก็โกหกไว้ก่อนอันที่สามอีาอาฮาดาก็ลาลาวิดาคอสมาฟาจาระเวลาเถียงก็จะเอาชนะหรือว่าเวลามีการทําสัญญาอะไรกันก็พร้อมที่จะบิดผิวซึ่งประเด็นข้ออื่นเรายังไม่คุยกันเพราะยังไม่ใช่ประเด็นที่เราจะคุยกันในตอนนี้ฮะดิษนี้บันทึกในมัมบุค ข, ข้อนีแกมัมมุสลิมประเด็นสำคัญก็คือหนึ่งในสที่ว่าถ้ามีใน ร่างกายใครแล้วถ้ามีแค่ข้อเดียวสองข้อสาข้อท่านบีบอกว่าเขามีคุณลักษณะของมูนาฟิกซึ่งเป็นคุณนลักษณะที่อันตรายถ้าครบสข้อท่านบีบอกว่าใช่เลยใช่เลยนะอูซูบิ l และฮิวไอยากรุมครับผมโดยพอะเรื่องที่ว่าเวลาเถียงแล้วชอบที่จะให้ชนะเนี่ยครับใครพูดคนสุดท้ายคนนั้นชนะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ระวังครับเวลามีการถกเถียง เอาให้ความจริงปากฏถ้ามันมีประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องเถียงถึงใครจะดูว่าเราแพา้ขอให้เราไม่ใช่ ม, มนาฟิกก่หน้าอับล้อมันก็พอเพียงแล้วครับผมครับพี่น้องที่รักยิ่งครับจากท่านอบูบักกับราะยิลลออันฮุกาะละกอรอฺ ull ull all all ัลลลอฺอัลลอฮฺซุลลอัลลอฮุมอัลลอฮฺสซาลลัมอัลลาอูนบีกคุมบีอัคบาริลแคบาเอร์ข่างนึ่งท่นานนบีมุอลิมซำอยู่กับบรรดาัฮาบ ะ, ค, ะครับผมแล้วท่านนบีก็พูดกับบร ร, ราบบาดาฮาบะท จะให้ฉันบอกพวกท่านได้รู้ไหมว่าอะไรคือบาปที่ใหญ่ที่สุดจะให้ฉันบอกพวกท่านได้รู้ไหมว่าอะไรนะมันคือบาปที่ใหญ่ที่สุดบรรดาซอบาครับรักอัลลอฮ์รักเราสุดเมื่อดินคำถามอย่างนี้สนใจอยู่แล้วครับเพราะท่านกลัวท่านไม่อยากจะไปเผลอทำบาปที่ใหญ่ที่สุดท่านบับดมลโสลัยสลัมก็ได้พูดสองอย่าง บาปใหญ่ที่มุสลิมทุกคนน่าจะรู้กันดีอันแรกก็คืออัลอิชรอกูบิลละการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์การไหว้อัลลอฮ์ด้วยไปกราบไหว้สิ่งอื่นด้วยละหมาดอยู่แล้วก็มีพุทธรูปอยู่ในบ้านอยู่อัลอิชรอกูบิลละเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดสําหรับอัลลอฮ์ถัดมาอันที่สองครับโอกุกอัลวารีไดนี่การเนรคุณต่อพ่อแม่หรือท่านใดท่านหนึ่งไม่จําเป็นว่าต้องเนรคุณทั้งคู่เรือเป็นบาปใหญ่แค่ท่านหนึ่งท่านใด จะถือเป็นบาปใหญ่มากแล้วพี่น้องที่รักครับเมื่อท่านอับดุลเบี๋ยม ส, ยสลุลต่าพูดเสร็จเนี่ยพี่น้องลองจินตนาการนะท่านอบีนั่งอยู่กับซอบะท่านอบีกําลังนั่งแบบเบิดเคนิกอะครับนั่งแบบเบิดเคนิกแล้วก็บอกว่าใช่ฉันบอกพวกท่านไหมถึงบาปที่ใหญ่ที่สุด2 อ, อย่างตั้งภาคีต่อเหรอเนรคุณต่อพ่อแม่พอท่านพูดเสร็จปุ๊บท่านมานั่งแบบว่าจริงจังเลยไงครับนั่งอยู่ในท่าจริงจังเลยแล้วก็บอกว่าเช่นเดียวกันกับคําพูดที่เป็นการโกหก เช่นเดียวกันกับคําพูดที่เป็นการโกหกอลาวะกาลูซูดอลาวะกาลูซูดอลาวะกาลูซูดท่านนบีพูดย้ําแล้วย้ําอีกย้ําแล้วย้ําอีกจอท่านซาฮับหลายๆท่านคิดว่าอยากจะให้ท่านนบีเนะี่ยได้หยุดพูดได้แล้วพอได้ยินปุ๊บมันก็ยิ่งตกใจมันก็ยิ่งน่ากลัวอลาวะกาลูซูดอลาวะกาลูซูดอลาวะกาลูซูดแสดงเห็นว่าไงครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเราอาจจะมองว่าแต่มันไม่ใช่ใหญ่ที่สุดนีใหญ่ที่สุดคือทำชิริก ลอามาคือในระคุณพ่อแม่พี่น้องที่รักครับบาปใหญ่สุดสองอย่างเนี่ยมันชัดเจนทำชฉลิกรู้กับตัวในระคุณพ่อแม่รู้กับตัวแต่สิ่งที่คนมักจะโกหกตัวเองมักจะหลอกตัวเองก็คือเรื่องที่ว่าเขาได้โกหกคนอื่นอยู่เรามักจะมีข้ออ้างเรามักจะมีเหตุผลว่าเออจำเป็นน่ะไม่เป็นไรน่ะไม่ว่ากันนะคือถ้าคนอื่นโกหกใส่เราเนี่ยเราโกรธเราเกลียด ลูกโกหกใส่แล้วเนี่ยเรากดเราเกียดแต่ถ้าเราโกหกใส่ลูกเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้สึกอะไรล้วก็บอกข้อจำเป็นไงพ่อไปทำงานมานะพ่อเหนื่อยพ่อก็เลยไม่ได้ทำตามที่พูดอะไรก็ตามแต่หลายครั้งการโกหกเนี่ยจะถูกมองว่ามั น, นเป็นเรื่องเ ล, เล่นเล่นเรื่องเบาๆพี่น้องที่รักบางคนอาจจะบอกว่าไม่เคยไม่โกหกและเช่นฉันทำยังไงล่ะพี่น้องหลายสถานการณ์พี่น้องไม่จาเป็นต้องพูดอะไรก็ได้ ถ้าพี่น้องคิดว่าพี่น้องพูดแล้วต้องโกหกก็ไม่ต้องพูดก็แค่นั้นจบใครคิดอะไรงไงต่อก็เรื่องของเขาแต่ที่แน่นอนที่สุดว่าห้ามโกหกเด็ดขาดเพราะท่านอบดุลียร์สุลตามพูดจัดหมวดอยู่ในบาปที่ใหญ่ที่สุดหลังจากที่พูดเรื่องการทาชีริกหลังจากที่พูดเรื่องการเนรคุณพ่อแม่ถัดมาคือคำพูดที่โกหกวมหมดแล้วครับเรื่องใส่ร้า ย, รายเรื่องของอะไรก็ตามแต่อยู่ในเรื่องของการร ซึ่งก็ขอรัวาจากลอครับให้พวกเราทุกคนรอดพ้นจากการติดนิสัยที่ว่าคุยอะไรก็คุยแต่โกหกหรือว่ากันเป็นผู้ที่โกหกครับพี่น้องที่รักยิ่งครับท่านอับดุลเบียร์วัซลอยซามได้เตือนพวกเราเอาไว้การโกหกเนี่ยมีหลายระดับขั้นการโกหกมีหลายระดับขั้นเร า, า จ, จะเคยได้ยินครับถ้าเกิดภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าไวต์ไลน์ก็คือโกหกแบบเรื่องเบาๆเรื่องที่มันไม่สร้างความเสียหายให้กับใคร แล้วมันก็จะมีโกโหกที่แบบว่าหนักขึ้นหรือว่าอะไรก็ตามพี่น้องลองเดาเล่นๆสิครับว่าการโกหกแบบไหนที่พวกเราล้อหลังเกียรมากที่สุดเรารู้แล้วว่าการโกหกเนี่ยเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ที่เราล้อหลังเกียรมากแล้วการโกหกมันก็มีหลายระดับการโกหกบางอย่างอิสลามอนุโลมใช่ครับว่าอนุโลมไม่ได้ส่งเสริมนะอิสลามไม่เคยส่งเสริมให้โกหกมีแต่อนุโลมมีแต่ผ่อนผันเท่านั้น พี่น้องเราคิดกันเล่นๆครับว่าการโกหกแบบไหนที่พวกเรารังเกียจมากที่สุดในบันทึกของเชคค อ, อมาฟนะครับในบันทึกของอิห ม, มอาอามัดอบูดาวุตนาซาอีนะครับผมจากท่านมอาวิยะนะครับบินไฮเาะนะครับจากท่านอับดุลสลามท่านอับีุลสลาได้กล่าวนะครับว่าความหายนะไวรุน ไวรุนนี่คือความหายยนะนี่คือดูอาสาบแช่งเลยเหมือนกับไวรุนลินมุตทอฟฟิ่ฟีนความหายนะจะเกิดกับคนที่โกงตาชั่งหรือว่าไวรุนลิไวรุนลิกุลลิฮุมาเซตินลุมมาซาความหายนะจะเกิดกับคนที่ชอบนินทาใส่ร้ายในที่นี้ท่านเบีใช้คําเดียวกับที่พองศลชัยในกุรานที่ใช้เป็นคําขั้นสูงสุดของการสราบแช่งคือไวรุนขอให้เกิดความหายนะท่านเบีใช้คําว่าความหายนะพี่น้องฟังดีๆนะ ความหายนะจะเกิดกับคนที่ว่าเล่าเรื่องราวสักเรื่องหนึง่งแล้วเขาโกหกเพื่อให้คนขำเพื่อให้คนอื่นหัวเราะพูดเฉยๆพูดตรงๆมันไม่ขำมันไม่หาก็มาพูดไปเรื่องโกหกซะเอาแต่งให้มันไม่ใช่เรื่องความจริงซะ อย่างเช่นเจอเจอกับเพื่อนแล้วอยากคุยเอ้ยหน้าเงี่ยไปทําอะไรมาเนี่ยดูท่ามันคงน่าจะไปเที่ยวผู้หญิงมาไปทําซีนามาหรือเปล่าเลยก็ตามคือเหมือนกับจะคุยให้คนได้หัวล้อขบขันแล้วก็บอกเออหน้ามันแปลกไปจริงหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ท่านอับดุลเบียร์สัลลัลของอัลเลาะห์ละสัลลัมใช้คำว่าวัยรุ่นความหายนะจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามที่เล่าเรื่องอะไรให้ใครสักคนฟังแล้วก็ใส่เรื่องโกหกเข้าไปในนั้นเพื่อให้คนอื่นหัวล้อฮะดิษไม่หยุดแค่นี้ครับวัยรุ่นละหุ วัยรุ่นและหูทา น, นาบีแกวซ้ําอีกสองครั้งหลังจากที่บอกว่ า, วาความหายนณะจะเกิดขึ้นกับกลุ่มชนที่เขาพูดโกหกเพื่อให้คนอื่นได้ขบขันความไหยาณะจะเกิดกับเขาความหายาณะจะเกิดกับเข า, า, านะอูซุบิลลาฮิมิซาลิกครับฮะดิษป น, นิษเชค อ, อัลบานียรหยมุลลบอกเป็นฮะดิษที่ฮัสซันครับซึ่งในปัจจุบันเราจะพบว่าในกลุ่มมุสลิมเวลาเราเข้ากลุ่มกันจะเป็นสปาคาเฟ่จะเป็นอะไรก็ตามแต่บางทีแล้วก็ พูดถึงเพื่อเราอยู่ต่อหน้านี่แหละก็คุยกันโกหกสักเรื่องใส่เขาให้มันเป็นเรื่องขบขันแล้วก็บอกว่าใครก็รู้มันเป็นเรื่องโกหกไม่ใช่ความจริงท่านนาบีบอกว่าเป็นบาปใหญ่ที่สมควรได้รับกับความหายณะเลยบางคนบอกอิสลามต้องเครียดขนาดนั้นเลยอิสลามไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องระวางังไม่พูดไม่ทําที่จะทําให้ผู้อยู่บ้านของเราเกลียดเราเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้เราไม่รักแล้วเราจะทําไปทไําไหมถูกไหมครับแค่จะให้คนขำํำเฉย เอาเรื่องจริงมาพูดให้ขำสิเรื่องจริงมาพูดให้ขำได้ไหมทําได้สิครับเหมือนกับครั้งหนึ่งครับมีซาฮบียะครับเคารบอิสลามตอนแก่ชร า, าแล้วแล้วก็มาถามท่านลบีมัสลิมหรือสุลามว่ายารสุรลอ่าคนแก่ๆเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ไหมหมายถึงเขาเนี่ยเพิ่งมาเข้าอิสลามตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยมีโอกาสจะได้เข้าสวรรค์ไหมท่านลบีมัสลิมสุลามบอกว่าไงครับก็บอกว่าคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์หรอกนะ คนมาถามก็สะดุ้งสิครับท่านรบีก็บอกว่าเพราะทุกคนที่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยอลัลลอฮ์จะให้เขากลับมามีวัยที่ชักกันอีกครั้งหนึ่งคือไม่ได้เข้าไปในสภาพของคนแก่หรือว่าเด็กแต่ได้เข้าไปในสภาพของหนุ่มสาวที่ว่าร่างกายแข็งแรงแล้วก็เฟิร์มที่สุดถือว่าเป็นการเล่นมุกไหมครับเล่นมกุกความจริงไหมล่ะความจริงด้วยคนแก่ไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะถ้าจะได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะให้ร่างกายใหม่ร่างกายใหม่ที่สวยสดงดงามกว่าเดิม เหมือนกับในยักกวาดทุกโอกาสในสวรรค์อลาวะแกนะครับว่าอินน์อนชาอันหุนอินชาแล้วเราก็จะได้สร้างพวกเขาทั้งหมดขึ้นมาใหม่ด้วยกับการสร้างสรรค์ที่ใหม่ๆชาวนรกก็ได้ร่างกายใหม่ของชาวนรกชาวสวรรค์นั้นก็ได้ร่างกายใหม่ของชาวสวรรค์ที่สวยสุดงดงามที่ว่าสามารถเสพสุขกับสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมมาให้ในสวรรค์ได้อย่างเต็มที่นี่คือเรื่องของการใช้คําพูดย้ํานะครับมุสลิมเราไม่โกหกโดยเฉพาะไม่โกหกเพื่อให้ใครขา ถ้าจะพูดอะไรให้ใครขำถ้าจะเล่นมุกมันต้องเป็นความจริงเท่านั้นครับเท่านั้นใครจะมองว่าเราเครียดเราจริงจังเราซีเรียสอะไรแล้วแต่เขามองแต่มุสีมเราคือเราไม่ฝึกตัวเองให้เคยชินกับการโกหกถามหน่อยว่ามีใครบ้างไม่ชอบคนที่ซื่อตรงคนที่พูดตรงๆบางคนอาจจะบอกว่าบางคนชอบคาโกหกที่หอมหวานก็แล้วแต่ครับอะัเ้เลืองนับสู แต่ถ้าเกิดทําธุรกิจทําการค้าคบค้าสามาคมแล้วย่อมสบายใจกว่าที่เรามั่นใจว่าเพื่อนของเราจะไม่โกหกเราถูกไหมครับผม mm. เมื่อเราอยากได้สิ่งใดเราต้องหยิบยื่นสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นด้วยครับผมอ่ะผมขอแวะกลับมาทักทายพี่น้องนิดนึงนะครับผมก่อนที่เราจะไปส่วนต่อไปในเรื่องของข้อผันผันแล้วก็อื่นๆที่จะคุยอีนเช้าร้อนะครับผมเมื่อกี้น่าจะถึงคุณคุณนัทสีพันนะครับผม อาจารย์ฮัสบุลลอห์ศีสังห์มาชาลล่าครับผมบอกสลาวิกุ้มกวาดอิกุมสลาวมุตล้อบาระกาตูาา้ตครับผมบอกว่ากรุงเทพชัดเจนจะทราบคำนลครับอาจารย์การีมนะครับเอสกสารคำแดงอ่าบอกดองแบนชัดเจนครับบราร์กุลลอฟิกุมคุณวัชลีนครับเพื่อนกันนะครับผมอสลาวิกุ้มกวาดอิกุมสลา ว, า ว, าวมวุตล้อบาระกาตู้เช่นเดียวกับคุณยะยาทัดระเบียบสลามมา ก, ก็วันคุณสลามภาพชัดเจนก็ขอบคุณมากครับแสงอาจจะน้อยหน่อยนะครับวันนี้ครับผมส่วนฟารีฟครับฟารีฟก็คือคุณพ่อป้ายแดงนะครับผม สลายมาก็ไว้ในกลุ่มสลามหรอกตัวเลือกบาระเกตตัวก็หวังว่าพี่น้องทุกท่านจะสบายดีนะครับผมกลับมาคุยเรื่องการโกโหกกันต่อในเรื่องของการโกหกเนี่ยอิสลามอนุโลมไหมพี่น้องที่รักครับมีคําพูดในหมู่นักกฎหมายเขาบอกว่าข้อยกเว้นพิสูจน์กฎกฎหมายจะดีแค่ไหนก็ต้องดูว่ามีข้อยกเว้นที่รัดกุมครอบคุมเพียงพอหรือเปล่าอิสลามก็เช่นเดียวกันครับในกฎแทบจะทุกข้อนั้นจะมีข้อยกเว้นอยู่แทบจะทุกข้อ ห้ามกินหมูจำเป็นกินหมูได้จำเป็นต้องละหมาดครบสระกระสามรากาักกะสองรักกะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเดินทางช่วงอะไรก็มีย่อมีรวมกันได้มีข้อยกเว้นครับในอิสลามในบทบปลญัของอิสลามแทบจะทุกทุกข้อเช่นเดียวกันกับในเรื่องของการโกหกครับท่านบุียรมสลิมฮฺอะลัยซสัมบอกว่างครับเลสัลกัตซาบุอัลลัตตยุสลบายนนสยกูรคขอยรันเอายุนมคขอยรัน ท่านลลอับดุลัลาะห์สลุลต่านสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุล่านสุลต่านสุลว่านสุลต่านากกสุลต่านสกลตามที่ว่านักช อ, กการรอ่านสนุลต่า น, นสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุงค่านสุล่านสุลต่านรัลต่านสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุกต่านสุลต่านสุลต่านีุนลมานสุลต่านสุลต่านสงลต่านสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุลต่านสุลต่าสุ แต่เราก็สามารถพูดได้ว่าอินชาร์ลอห์ะนะเขาอาจจะติดธุร่อะไรอยู่ก็ได้เขาอาจจะยังมาไม่ได้เขาอาจจะพยายามมาแล้วแต่มันมาไม่ทันจริงๆก็ลองคิดถึงบางทีพวกเราก็ช้าเหมือนกันใช่ไหมอะไรใช่ไหมอันนี้ฟังดูอาจจะเหมือนว่าโกหกเขาอาจจะบอกว่ารู้ได้ไงว่ามันไม่เตรียมตัวหรือมันอะไรยังไงไม่รู้ไงแต่ว่าเราอยากจะให้เกิดความรักระหว่างกันเพราะอย่าลืมครับสิ่งที่ชัยตอนต้องการให้เกิดในหมู่มุสลิมที่สุดคือการแตกแยกอินมาอยู่ดีด้ชัยตอน เทนอนชัยตอนนั้นต้องการไอยูแกาา้ใบมืออาดาวต้องการที่จะให้เกิดความแตกแยกระหว่างพวกเราซึ่งสื่อหลักๆที่ชัยตอนทำก็ด้วยกับสุรากับเรื่องของการพนันพี่น้องสังเกตดูคนเล่นการพนันส่วนใหญ่ทะเลาะ ก, กันและการแข่ไหนก็ทะเลาะ ก, กันบ้างที่เล่นไพ่ไม่ต้องพนันครับทะเลาะ ก, กันได้ครับเช่นเดียวกันกันกบสุลาไม่ต้องพูดถึงเลยเมาทีนี่คือแตกกันได้ง่าย เช่นเดียวกันครับในระหว่างคนที่รักกันเราสังเกตดูครับพี่น้องที่ควรจะรักกันชัยตอนก็ชอบไปทําให้แตกแยกกันพ่อแม่ลูกที่ควรจะรักกันครอบครัวอบอุ่นชัยตอนก็ไปทําให้เกิดความแตกแยกสังคมที่ควรจะอยู่แบบสมัครสมานสามัคคีชัยตอนก็รักที่จะเข้าไปสร้างให้เกิดความแตกแยกเพราะฉะนั้นท่านนบีมุสลอยิมจึงบอกว่าคนที่พยายามปรนีปรนอมให้คนรักกันเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการโกหกนะถ้ารูปแบบที่เขาใช้มันยังอยู่ในกรอบอยู่ ไม่ถึงขั้นไปด่าคนอื่นไปใส่ร้ายคนอื่นไปอะไรคนอื่นถ้าเขาพยายามพูดสิ่งดีๆพยายามชี้ให้เห็นแต่สิ่งที่ดีอย่างพอทะเลาะ ก, กันปุ๊บอาจจะไปบอกกับคู่กรณีที่กําลังทะเลาะ ก, กันก็บอกว่าเนี่ยฉันคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะเสียใจเหมือนกันนะที่เขาทะเลาะเนี่ยคืนดีเถอะท่านอาบีบอกว่าใครก็ตามที่คืนดีเนี่ยถ้าเขาเป็นฝ่ายถูกเนี่ยได้อยู่เอาล้อเตรียมบ้านกลางสวรรค์ให้เลย ถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดแต่เขาเริ่มที่จะเป็นฝ่ายมาขอโทษก่อนเนี่ยอัลลอฮ์จะสร้างบ้านในช า, ชานสวรรค์ให้คืออย่างงี้ก็ได้สวรรค์เวลาทะเลาะ ก, กันนะครับแล้วมาคืนดีก่อนมาคืนดีคนแรกที่มาคืนดีนั้นสําหรับอัลลอฮ์เขาประเสริฐที่สุดต่อให้เขาเป็นฝ่ายผิดต่อให้เขาเป็นฝ่ายผิดเพราะฉนั้นจะแตกกันทําไมใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้แตกมันก็ต้องรักกันไว้ครับผม นอกจากว่าเขาจะเป็นศัตรูจะมาฆ่าเรามาด่าว่ า, ม า, า, ามาจําไลสลรามาสร้างตัวเป็นศัตรูอย่างชัดเจนอันนั้นอีกกรณีหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องบางทีพูดไม่เข่าหูบางทีอาจจะทําอะไรผิดพลาดไปพี่น้องที่รับอย่างน้อยคนทุกคนมันต้องมีผิดมีพลาดแหละแล้วคนทุกคนก็อยากได้โอกาสเหมือนกับพวกเราพี่น้องคิดถึงตัวเองไม่ต้องคิดถึงใครไกลครับเราทุกคนเนะ่ยเคยทําผิดทําบาปถูกไหมครับเวลาเราทําผิดทําบาปโดยเฉพาะล่วงเกินใครเนะี่ย เราก็อยากได้โอกาสจากเขาถูกไหมครับเวลาที่เรารู้สึกสำนึกผิดแล้วเรารู้สึกผิดแล้วรู้สึกแย่แล้วเรารู้สึกว่าเราต้องไปขอโทษเขานะแล้วเราอยากจะให้เขายกโทษเราเลือเกินทุกคนอยากได้สิ่งนี้ครับเพราะนั้นเราก็หยิบยื่นสิ่งที่เราอยากได้ให้กับผู้อื่นแล้วอินชาลอแล้วเมื่อถึงเวลาตาของเราเราก็จะรับสิ่งนี้ด้วยอินชาลอด้ยวยความเมตตาของผู้ละลอครับผมท่าอุมุุลซูมครับบินบินติอุก บ, บะบินอาบีมูอิด รีลลอหอันฮาครับนางได้รายงานเอาไว้ครับว่าลำอัสมันนบีสุลลัลของในสลัมยารคุสฟีใชอินมินละกะซิบอินลาฟิสลาฉันไม่เคยได้ยินเลยว่าท่านนบีจะอนุโลมในเรื่องการโกหกเนยนกจากใน3กรณีเท่านั้นอนุโลมในเรื่องการโกหกใน3กรณีเท่านั้นมีอะไรบ้างครับอันแรกก็คือการทำให้คนนั้นรักกันคืนดีกันปณนีประนอมกัน นี่คือสิ่งที่ท่านอิหมุมกุลซูมเข้ามาครับท่านอิหมุกุลซูมบอกว่าหนึ่งในสาที่ท่านอาบีผ่อนผันอนุโลมให้ให้คนคืนดีกันอันที่สองครับในช่วงของสงครามอันที่สคําพูดของสามีกับภรรยาที่บางครั้งในการดําเนินชีวิตฉันสามีภรรยามันก็ต้องมีการ โกหกที่ภาษาอังกฤษใช้คาว่าไวต์ไลท์ก็คือเป็นโกหกที่ว่าไม่ใช่ต้งตองการจะทําร้ายเขาหรือไม่ใช่เป็นการโกหกที่ว่าเอาตัวรอดระวังนะครับสามีภรรยามักคิดว่าตรงนี้โกหกได้ทั้งๆที่ว่าเขาแค่จะเอาตัวรอดอันนั้นไม่ใช่การเการโกหกที่อสลามอนุโลมการโกหกที่สลัมอนุโกกล ม, มเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดเป็นข้อเป็นข้อเท่าที่จะทำได้นะครับผม เริ่มเรือแรกก่อนในเรื่องของการคืนดีทําให้คนสองคนนั้นคืนดีเราพูดถึงไปแล้วคนไม่ต้องที่บายแล้วทีนี้ในยามสงครามแหละในยามสงครามเช่นถ้าเราสังเกตดูนะครับท่านอบีมัสเกยซามหลายครั้งเวลาที่ว่าท่านเรียกเดลอมโซบามาเพราะว่าถึงเวลาต้องสู้รบแล้วเนี่ยหลายครั้งที่ว่าเวลาวางแผนท่านอบีอาจจะบอกว่าเราจะไปเส้นนั้นแต่ถึงเวลาท่านอบีจะไปอีกเส้นหนึ่งถามว่าทําไมครับเพราะเป็นการระวังบางทีอาจมีไส้ศึกแฝงอยู่ในบรรดา ทหารด้วยถูกไหมครับบางทีมีสายสืบเป็นเรื่องปกติครับเวลาเกิดสงครามเกิดอะไรก็ต้องมีการส่งหน่วยสอดแนมส่งข้าศึกไปเพื่อไปล้วงความลับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะบอกว่าต้องซื่อสัตย์ต้องพูดความจริงนะเราจะไปตรงนี้ก็ต้องบอกตรงนี้บอกข้าศึกให้รู้ว่าเดี๋ยวฉันจะไปตรงนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ในเรื่องของศึกสงครามที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าต้องรักษาชีวิตให้รอดแน่นอนมีเงื่อนไขในเรื่องของการทําศึกสงครามซึ่งเราคงไม่ได้คุยกันในเวลานี้ครับผม ต่อไปครับการโกหกระหว่างสามีภรรยาที่อิสลามอานุโลมย้ำนะการโกหกอิสลามไม่เคยส่งเสริมอิสลามไม่เคยบอกว่าการตะกียะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาไม่มีคำสอนนี้เด็ดขาดมีก็คือผ่อนผันอานุโลมเฉยๆนี่คืออิสลามนี่คืออิสลามที่แท้จริงการที่สามีภรรยาที่แบบว่าโกหกกันนะครับบางครั้งยังไงครับบางครั้งเวลาอยู่ด้วยกันสามีรู้แล้วว่าภรรยาทางานเหนื่อย ทำงานเหน็ดเนื่อยมาทั้งวันแล้วแล้วถึงเวลาต้องมาทํากับข้าวแล้วพอทํากับข้าวปุ๊บสมมุติว่ากับข้าวอาจจะไม่พออาจจะมีของไม่พอสามีบางคนอาจจะโมโห จ, จะโกรธเนี่ยฉันทํางานนัดเหนื่อยๆมาเนี่ยทำไมไม่เตรียมอาหารให้พร้อมทำไมอย่างงั้อาจจะตบลงมือลงไม้อะไรก็ตามแต่แต่ในกรณีนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ทิ้งที่มุสลิมควรจะทําโดยเพราะคนที่เป็นสามีชาวมุสลิมเราทําอะไรได้บ้างครับต่อให้เราอยากกินอาหารที่บ้าน เราก็สามารถพูดได้ว่าอ๋อไม่เป็นไรนะที่รักินเช้าวันนี้พี่อยากไปกินข้าวนอกบ้านพอดีปะ่ะเราไปกินข้าวนอกบ้านไม่ต้องเสียดีเราเก็บของอะไรไว้นี่แหละไม่ต้องทําอะไรละปะเราไปกินข้างนอกทั้งๆนี่ในใจอาจจะไม่อยากไปเลยแต่การพูดอย่างนี้มันเป็นการรักษาน้ําใจเป็นการสนอมน้ําใจมันไม่ได้ทําให้เกิดความแตกแยกไม่ได้ทําให้เกิดเรื่องเสียหายซึ่งชีวิตคู่นะครับบางครั้งมันก็ต้องมีอะไรพวกนี้บ้างมันก็ต้องมีอะไรพวกนี้บ้าง ซึ่งบางครั้งมีครั้งหนึงที่ว่าท่านอับดุลเบี๋ยมอัสสลามเข้ามาที่บ้านครับมาถามที่อย่างไอช้าบอกว่ า, ว, นน า, าวันนี้เรามีอะไรกินบ้างวันนี้เรามีอะไรกินบ้างที่งไอช้าบอกยาอัสลูละเราไม่มีอะไรกินเลยคิดดูว่าคนเป็นภรรยาจะรู้สึกแย่แค่ไหนที่ว่าสามีกลับมานเหนื่อยแล้วไม่มีอะไรให้กินเลยท่านอับดะลเบี๋ยมอัสลามครับรักภรรยาเป็นห่วงไม่อยากให้คิดมากเอาใจเขามาเสียใ จ, จเราท่านอบีบอกว่าไงครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ฉันถีสินอดละกัน ฉันถือเสนอแทนที่จะเป็นการทะเลาะบ่อแวง่งแทนที่จะเป็นการด่าว่าตําหนิท่านรบียวกับเอาวิกฤตรตรงนั้นมาพลิกให้เป็นการทําอีบาดาให้อัลลอฮ์รักตัวเองก็ไม่ต้องไปบน่นไม่ต้องไปดา่าไม่ต้องไปว่าภรรยาไม่ต้องรู้สึกแย่เลยกับภรรยาเพราะเราถือว่าเราก็ถือเสนอไปเลยสิไม่มีอาหารใช่ไมเอาโอเควันนี้ตั้งแต่เช้าพี่ยังไม่ได้กินอะไรแทนที่จะไปด่าภรรยาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เช้าไม่ได้กินอะไรเลย แต่กลับเปลี่ยนเป็นว่า อ, อ๋อไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววันนี้พี่ถือสินอดแล้วกันเดี๋ยวเรากินตอนค่ำทีเดียวด้วยกันนะอันไหนจะสร้างความสุขกับครอบครัวมากกว่าพี่น้องที่รักครับสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ว่าต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันต้องช่วยเหลือกันและกันซึ่งมันเป็นบททดสอบที่หนักที่สุดในชีวิตของมุสลิมคนหนึ่งไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชายหรือเราจะเป็นผู้หญิงอามานะการร่วมสร้างครอบครัวมุสลิมเนี่ยเป็นอามานะที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา คนที่สอบผ่านอัลฮัมดุลิละก็สอบผ่านไปคนที่สอบตกก็โนอูซุบิลละก็สอบตกไปเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปชี้ว่าใครสอบตกแต่หน้าที่ของเราคือเราชี้ที่ตัวเองแล้วตรวจสอบตัวเองว่าเราสอบผ่านไหมเอลแล้วจะทดสอบให้เราเจอคู่ครองแบบไหนไม่รู้แหละถ้าเจอคนดีอัลฮามดุลิละถ้าเจอที่เป็นบททดสอบก็อัลฮามดุลิละหน้าที่ของเราก็คือในส่วนของเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดก่อน มองข้อเสียของตัวเองให้มากกว่าที่มองข้อเสียของคนอื่นแล้วชีวิตครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นอินชาลอัลลอฮ์ครับผมครับคุณคณิฐานะครับเข้ามาสละมนะครับผมก็วายัยกลุ่มสละม์อัลลอฮ์บาร์บะระกะตูนะครับเช่นเดียวกับคุณอภิจักตดอกไม้สละมาก็วัยกลุ่มสลามคุณอามีนะมารีวันนะครับผมก็สละมานะครับผมวายกลุ่มสละม์อัลลอฮ์บาบะรอกะตูนะครับผมน่าจะเป็นญาติกับอาจารย์สวังมารีวันนะครับคิดว่าครับพี่น้องที่รักเน้นในเรื่องของการ โกหกเนี่ยเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าท่านอบีุลลซารรมถือว่ามาเป็นบาปใหญ่ที่หนักมากจนถึงคาดว่าท่านอบีต้องจริงจังมากๆเลยหลังจากที่พูดถึงบาปใหญ่ที่สุดคือการชีดิษ ก, กับการเนรคุณพ่อแม่ท่านอบีถึงกับย้ำครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าในเรื่องของการพูดโกหกว่ามันเป็นบาปที่ใหญ่จริงๆพี่น้องที่รักครับคนเราส่วนใหญ่จะโกหกตอนไหนบ้างล่ะเอาตัวรอดอยากได้ผลประโยชน์อยากหาอยากขําอยากหาอยากขําบอกไปแล้วเป็นบาปที่ท่านอห้ ความหายหนประสบกับคนประเภทนี้นบีพูดไว้3าครั้งเรามาดูเรื่องการโกหกรูปแบบอื่นๆเช่นอยากได้ผลประโยชน์กันบ้างส่วนใหญ่จะมีในการค้าขายบ่อยครั้งครับที่ว่าบางทีมีคนไปตลาดไปเจอเสื้อแล้วก็ถามเนียเสื้อนี้ลดหน่อยได้ไหมเนี่ยต้นทุนรับมาเท่าไรหร่เลยบางคนก็ จ, จะบอกตรงๆบางคนก็ จ, จะบอกโกหกบางทีรับมาร้อยหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยรับมาก็้ยแล้วลดไม่ได้จริงๆถ้าลดก็คือขาดทุนแล้ว โกหกในการค้าขายเพื่อที่จะขายได้พี่น้องที่รักผมจะขอเตือนพี่น้องก่อนนะครับฮะดิษอยู่ในบันทึกของอิมามบุคอรีกับอิามามุสลิมท่านอับดุมฮัมหมัดสลุลลัลฮุอัลัยฮิวะสลัมนะครับได้กล่าวไว้นะครับว่ามีสามกลุ่มชนสมกลุ่มชนที่อัลลอฮ์จะไม่พูดคุยกับเขาในวันกียรมนะเพราะอัลลอฮ์จะไม่พูดคุยแปลว่าอะไรไม่พูดคุยดีๆไม่พูดคุยแบบให้ความหวังไม่พูดคุยแบบเป่าปลอม คือพอจะถ้ามีการพูดคุยกับเขาคือพูดแบบหนักๆอย่างเดียวเท่านั้นนะอูซูบินไลมินตาลิกทนเวีสมัวมัสรอสนาบอสาบสามกลุ่มชนที่พวกลราจะไม่พูดกับเขาดีๆในวันเกียมะไหมไม่มองเขาด้วยไม่มองด้วยกับสายตาที่ว่ารักไข่เอนดูน่ากลัวที่สุดเกินจินตนาการอ่พี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากแบบเมื่อผู้สร้างเพราะเป็นเจ้ามองด้วยสายตาที่โกรธกิ้วแล้วก็พูด ไม่ได้พูดดีๆ ด, ด้วยไม่มีอะไรน่ากลัวก ว, กว่านี้แล้วพี่น้อง3มกลุ่มชนนี้มีกลุ่มชนอะไรบ้างครับกลุ่มชนแรกรเจอลุนไฮลาฟไอลาซิลาแตินแล้วก็อะตอบีแฮอักซารมิมาอะตอคนแรกคือคนที่สาบานเท็จบอกว่าเนี่ยรับมาราคาเท่านี้แล้วเดี๋ยราคามันราคาจริงๆมันราคาเท่านี้จริงๆเนี่ยเอากำไรแค่นี้จริงๆเนี่ยถึงขั้นสาบานด้วยคือถ้าเกิดแค่โกหกนี่บาปใหญ่อย่างที่บอกลําดับที่สามแล้ว แต่ถ้าสาบานโดยอ้าง น, นามของอัลลอฮ์มาด้วยอันนี้ยิ่งใหญ่เลยครับพระนามของอัลลอฮ์ไม่ใช่พระนามที่จะมาพูดไพ่ยๆยิ่งเอามาใช้ในการโกหกสำหรับผู้อัลลอฮ์ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักมากไม่มองไม่พูดคุยดีๆอัลลอฮ์เยเนี่ยอย่างนี้จริงๆเนี่ยอัลลอฮ์เยเนี่ยเอานามของพู้อัลลอฮ์มาสาบานเท็จบาปใหญ่นะพี่น้องระวังให้ดีนะอันที่สองครับว่ารจิลุน حلفا على يمينك عذبتين بعد الأصلى ลิยากเตตลิยากเตตีอาบิฮามาลุรชุรีุลมอีกอีกกลุ่มคนคือชายคนที่เขาโกหกหลังละหมาดอสัตโดยสาบานต่อน้ำของกัลละเพื่อจะได้ทรัพย์สินของคนอื่นอย่างไปยื่นเรื่องคือปกตินะครับเวลามีการยื่นเรื่องให้กับผู้พิพากษาของมุสลิมพวกคดีความเขาจะกากตัวก่อนแล้วก็หลังอาซัตจะให้สาบาน ทำไมหลังอาซัดเดี๋ยวว่าไปประเด็นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแต่ประเด็นก็คือว่าสาบานหรือบอกว่าเนี่ยที่นี้มันที่ของผมจริงๆเนี่ยผมได้มาจากพ่อพ่อๆผมจริงๆมาเป็นของผมทั้งๆที่มันไม่ใช่หรือสาบานอะไรก็ตามแต่เพื่อให้เขาได้มาซึ่งสิ่งที่มันไม่ใช่ของเขาท่านอบีบอกว่าพุกอัลลอฮ์จะไม่มองและจะไม่พูดคุยกับคนประเภทนี้ก็นาอูซบิไลมิลในซาลิใครที่ทําก็เตาบาลแล้วก็คืนสิทธิ์ให้กับเจ้าของสิธิไปซะนะครับผม กลุ่มที่3าคงยังไม่ต้องคุยกันเพราะว่ายังไม่เข้าในประเด็นที่เรากำลังจะพูดคุยนี้เพราะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับอันตรายของปากข้อที่4ระวังกันให้ดีๆก็คือการโกหกหรือการเป็นพยานเท็จการสาบานเท็จถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่เชื่อไม่ต้องไปร่วมเป็นพยานบอกว่าจริงๆนะฉันเห็นจริงๆฉันได้ยินจริงๆไม่เชื่อไม่ต้องพูดครับปลอดภัยที่สุดพี่น้องครับมาถึงประการที่5ประการสุดท้ายของ อันตรายของคำพูดครับผมเราพูดแล้วอันแรกก็คือรีบะอันที่2องนมีมาอันที่3าก็ซับอันที่สกระซิบก็คือโกหกอันที่ห้าครับการพูดหยาบคายการพูดหยาบคายซึ่งผมคงไม่ต้องบอกว่ามันแพร่หลายในสังคมนี้แค่ไหนแล้วบางคนนี่ด่ากันแทนพูดด่ากันแทนทักทายสาบแช่งกันแทนทักทายผมพูดถึงมุสลิมด้วยกันนะ เจอหน้ากันนี่คือมีไออยู่ไว้ก่อนแล้วแล้วก็ไอตามด้วยกับอาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ดีสักอย่างนะครับไม่เวลาพูดก็อยากคายอย่างบางคนครับมีคนมาพูดให้ผมฟังจริงๆลูกสาวผมได้แบมาพูดได้ยินอาจารย์เล่าให้เขาฟังแล้วเขามาเล่าให้ผมฟังทีเขาบอกว่าบีรู้ไหมเนี่ยผู้หญิงจะมีสามเสียงนะผู้หญิงจะมีสามเสียงผมดินก็สะดุ้งเลยว่าเด็กสมัยนี้รู้ขนาดนี้แล้วเลยจริงๆผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยต่างกันหรอกครับ 3เสียงอะไรบัางครับเสียงแรกใช้กับคนที่เราไม่รู้จักสวัสดีครับสวัสดีค่ะสลาลิขุมครับสลาลิขุมค่ะเป็นไงบ้างอ่านิขายเท่าไหร่แล้วเจ๊อะไรกว่ากันไปอันนี้เสียงแรกเสียงที่สองครับใช้กับคนที่เรากํบบาลังหลงส่วนใหญ่จะใช้ก่อนแต่งแฟนก่อนแต่งเฮ้ยเธอเหรอเธอเจอจุ ก, กูจุ ก, กูอะไรก็ตามคือพูดภาษาที่แบบบางทีค น, นข้างๆฟังไม่ออกอันนี้คือเสียงสอง น้ำเสียงนี้รู้เลยว่าอ๋อคุยกับแฟนหรือคุยกับคนที่ชอบแน่นอนน้ำเสียงสองนี้จะมีหลังจากแต่งไปอาจจะประมาณแล้วแต่ครับแล้วแต่คู่บางคู่ก็อาทิตย์หนึ่ง1ปี10ปี20บปีบางคู่อะไรทำได้แล้วน่ารักมากก็คือจนยังแก่ชราแล้วก็ยังเป็นน้ำเสียง2 อ, อยู่แต่ยากครับผมแทบไม่เคยเจอนะน้อยมากเลยเสียง3นี่คือเสียงที่เราจะใช้กับคู่คร อ, องของเราเมื่อแต่งงานไปนานๆแล้ว คือจะเป็นน้ำเสียงมักจะเป็นน้ำเสียงที่เลวร้ายที่สุดในสามน้ำเสียงพี่น้องลองสังเกตดูพออยู่ตามลำพังปุ๊บขอมาพี่น้องด้วยนะครับถ้าเกิดผมใช้คําหยาบคายนะนี่คือที่มักจะได้ยินก็จะเป็นไอแก่กับอีแก่คือเริ่มต้นเรียกก็เรียกด้วยกับคําที่หยาบคายที่สุดแล้วเรากล้าใช้คําว่าไอแก่กับคนนอกไหมล่ะหรือว่าอีแก่กับคนนอกเนี่ยกล้าไหมคํานี้เซฟไว้ให้กับคนที่เราต้องรักเขาต้องดูแลเขามากที่สุดในชีวิตของเรา คนที่ต้องแค็งที่สุดกับใช้คาที่ยากที่สุดนอบินละโลกนี้มันมีแต่อะไรที่ตรงกันข้ามาเนาะเราเรียกว่านี่คือการซเหลหรือ ว, ว่าการอาธรรมครับผมพี่น้องที่รักท่านอับดุล ส, สลามได้พูดไว้นะครับจากท่านอบับดุดานะครับว่ามามีใชอินอ ah ัสตาลาีมซานมุมินยามลกิยามะมิุสนิลุลุกวอินนัลลอฮยับลฟาิชอัลบีท่า น, นาัดสลามบอกว่าในวันกิยามะเนี่ยนะไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะหนักสาหรับ ตาช่างของผู้ศรัทธาอย่างที่พวกเราทราบครับว่าถึงเวลาพวกเราต้องถูกสอบสวนและความดีความชั่วเราต้องไปถูกช่างเหมือนกับที่เราเคยเรียนสบายเรลองแบบดีสบายเราลองดีมหรือว่าการล้ำลึกต่างๆที่ว่าจะหนักแบบว่าหนักสําหรับตาช่างจะเต็มฟากฟ้าจะเต็มแผ่นดินท่านอบีบอกว่าแต่สิ่งที่หนักที่สุดในตาช่างเนี่ยไม่มีอะไรจะหนักยิ่งไปกว่าตัวตนที่ดีงามฮุสซุลโคลุก คุลุกไม่ใช่แปลว่ามารยาทอย่างเดียวนะครับมารยาทใช้คำว่าอาดับคุลุกมันคือจริยธรรมมันคือตัวตนมันคือความเป็นตัวของเราครับความเป็นตัวขณะที่ว่าเวลาพูดก็ไม่โกหกเวลาจะทําอะไรก็ทําอย่างดีให้เกียรติคนอื่นมีความอดทนมีความสุ ข, ขุมทั้งหมดเรียกว่าคุสนุคุุลุกมันไม่ใช่แค่คําว่ามารยาทที่ดีแต่มันหมายถึงว่าตัวตนที่ดีงามเลยท่นานอบีบอกว่าตัวตนที่ดีงาม เป็นสิ่งที่หนักที่สุดสำหรับตาชั่งและพอลองลนะพอล้อนั้นโกรธท่านมีชืคอาำว่าโกรดกิ้วเลยนะพงอล้อนั้นโกรดกิ้วคนที่ชอบอัลฟาฮิชกับบาริฟาฮิชก็คือคนที่ชอบพูดแต่คำพูดที่มันเร็วๆครับคำพูดที่มันไอ่ๆพูดทีด่าทีพูดทีสบดทีเวลาพูดถึงใครรับหลังนี่คือไม่เคยพูดด้านดีของเขาเลยอันนี้เรียกว่าฟาฮิช อะไรก็ตามที่มันทําให้เกิดอันตรายกับคนอื่นเนี่ยชอบพูดเช่นเดียวกับบาดีครับผมซึ่งในดิสันบีก็ได้บอกนะครับว่าซีบาบุญมุสลิมผูซู้กุนวากิตาลูกุฟลุนการที่เราไปด่าว่าด่าทอผู้ศรัทธาด่าว่ามุสลิมเนี่ยถือเป็นการฝ่าฝืนนะฝ่าฝืนอะไรฝ่าฝืนคําสั่งอัลลอฮ์ฝ่าฝืนคําสั่งอัลลอฮ์ใหญ่ไหมล่ะครับปัจจุบันเนี่ยสาบแช่งกันเป็นเรื่องง่ายเลยด่าว่ากันเป็นเรื่องง่ายเลย ตกอะไรนิดหนึ่งบางทียิ่งเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยอยู่คนละพวกปุ๊บก็ด่ากันเลยสาบแช่งกันเลยด่าว่ากันอูซบินลาเมนซาลิกท่านนบีวสัสยิดั่บอกว่าคุณในลักษณะนี้อลัลลอฮ์เกลียดครับอลัลลอฮ์เกลียดครับต่อให้ละหมาดก็อาจจะไม่รอดเพราะอย่างที่ท่านนบีบอกไว้แล้วครับต้องรับประกัน2 อ, อย่างให้นบีด้วยก็คือลิน้นกับเรื่องของความต้องการทางเพศเช่นเดียวกันครับท่านนบีมัสยิดซัมได้พูดไว้ครับว่า ไม่ใช่ المؤمن بالطاعان ولا باللاعان ولا بالفاحش ولا بالبذي พูด ah สัทธานั้นจะไม่ใช่คนที่ว่าชอบทิมแทงคนอื่นพูดให้คนอื่นเจ็บเน้นว่ามันเจ็บยังไงพูดให้มันเจ็บเจบให้มากๆเวลาทะเลาะกันคนรักกันคนเกลียดกันสามีภรรยาใครก็ตามขุดเรื่องที่อีกฝ่ายเจ็บที่สุดเอามาพูดท่านอบีบอกว่าผูดสัตยาไม่ใช่คนแบบนี้นะไม่ใช่คนที่ชอบทิมแทงให้มันเจ็บวะละละอ่านไม่ใช่คนที่ว่าชอบ ช, ชอบสาบแช่ง ไม่ใช่คนรสนักความมุมินเช่นเดียวกันครับวะลบิลฟาฮิชวะลบิลบาีไม่ใช่คนที่ว่าพูดคาหยาบหรือว่าเป็นคนที่ว่าชอบทาให้เกิดความร้าวฉานไม่ใช่เลยครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับครั้งหนึ่งครับท่านอบูจุไรจับิรบินส์ลิมอัลฮูเจมีรยลลอฮนกาละคุนตุยาลลลลฮดีไออานีวะอัน صح นี้ข้าว่ า, ายยมไม่ต้องบนนะใครนข้าว่า a ม่ต้องบนนะใครนข้าว่าไ o ่ต้องบนะนะใครน ท่านบีมัสล็องอะเลสซลัมครับท่านเป็นผู้ที่รับช่วมีกริมเวลาไมีใครมาถามอะไรท่านเนี่ยท่านมักจะตอบโดยอาศัยพื้นเพของแต่ละคนอย่างคนแรกมาท่านบีดูพื้นเพยท่านบีก็ย้ำเวลาตักสิบลตักสิบลตักสิบยากโกกยาโกยาโกอีกคนนึง ม, มาท่ีกระลาตักดอกลาตักดอกดยากโกดยากโกดยากโกดแล้วแต่ว่าคนที่มาเป็นใครท่านบีก็จะพูดไปตามนั้นท่านอบีมัสล็อมบอกว่าไงครับลาตสุบันนาอาหัดันท่านบีผู้สั้นสันย เธอจงอย่าได้สาบแช่งใครเธอจงอย่าได้สาบแช่งอะไรอย่าได้ด่าว่าอะไรอย่าได้สาบแช่งอะไรผู้ารายงานดิสบอกว่าไงครับหลังจากที่ท่านอาบีมุสลลอยสลรัมได้เตือนฉันเรื่องนี้ฉันไม่เคยด่าใครอีกเลยไม่ว่าจะเป็นทาสไม่ว่าจะเป็นคนเอที่ไม่ใช่ทาสอะไรนะคนเสรีชนนะนะ ไม่ว่าจะเป็นอูดหรือไม่ว่าจะเป็นแพ้แก่คือแม้แต่สิงสาราสัตว์ก็ไม่ด่าด้วยแปลว่ามันคอบคุณทั้งหมดเลยนะครับผมการด่าเนี่ยบางทีเจอแมวตัดหน้าไอ้นี่อะไรก็ตามแต่ที่เป็นศัพหยหยาบไม่ใช่คุณลักษณะของผู้ศรัทธาพี่น้องคิดดูว่าสังคมจะน่าอยู่ขึ้นแค่ไหนถ้าเกิดว่ามุสลิมเราพยายามทําตัวให้เป็นตัวตนที่ดีงามมันยากครับที่ว่าจะสมบูรณ์ อัลกามาลินและความสมบูรณ์อย่างแท้จริงเป็นของพัวล้อเท่านั้นบุคคลที่เป็นเสริญสุดในโลกก็คือท่านอับดุลเละห์มสลมเท่านั้นแต่เราสามารถพี่น้องอย่าลืมนะเราสามารถเป็นเราที่ดีกว่านี้ได้อย่างผมอิเสผมสามารถเป็นอิเลียสที่ดีกว่านี้ได้พี่น้องทุกท่านก็เช่นเดียวกันครับเราสามารถเป็นตัวเราที่ดีกว่านี้ได้เป็นตัวตนที่ดีกว่านี้ได้ เริ่มด้วยจากการลดในเรื่องของการพูดสบศรั彬สาบแช่งด่าว่าบางท่านอจะบอกว่าสรับบางทีก็มีด่าว่านบีก็มีสาบแช่งนั่นเปนเคสน้อยของน้อยของน้อยหรือว่าเป็นเคสทั่วไปพบเห็นได้ทั่วไปหรือว่าน้อยมากๆปัจจุบันบ้านเราเหมือนกับเข้าใจอะไรผิดเอาเคสน้อยๆเนี่ยมาใช้แพร่หลายจนกลายเป็นตัวตนของเขาไปแล้วพี่น้องคนชอบสาบแช่งคนหยาบคายกับคนพูดหยาบคายไม่เหมือนกันนะ คนพูดหยาบคายกับคนหยาบคายคนหยาบคายคือตัวตนเขามันหยาบคายไปแล้วคือมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วแต่คนพูดหยาบคายอาจจะเป็นแค่ครั้งสองครั้งเหมือนกับคนโกโหกครับที่สัตว์บีมัสสัมบอกไว้ครับบางคนเขาจะอาจจะโกหกแล้วโกโกหกแล้วกโกหกอีกจนกระทั่งอัลลอฮ์บันทึกไว้เลยว่าเขานั้นเป็นจอมโกหกเป็นคนโกหกไม่ใช่แค่โกหกครั้งสองครั้งแล้วเช่นเดียวกับคนบางคนครับเขาพยายามพูดจริง พยายามทําตัวให้ซื่อสัตย์จนกระทั่งอัลลอฮ์ถือว่าเขานั้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ตัวตนของเขาเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ขออวยจากอัลลอฮ์ครับให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ว่ามีคุณลักษณะที่ดีงามเป็นคนที่ว่ามีตัวตนที่ดีงามที่สุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้ย้ําครับพวกเราดีกว่านี้ได้ผมไม่อยากให้เราดูถูกตัวเองไม่อยากให้เรามองตัวเองว่าฉันคงดีกว่านี้ไม่ได้ไม่มีใครดีกว่านี้ไม่ได้ครับผมอิบราฮิมยังสามารถเตาบาได้ มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่มันอยากจะเตาบ้าซึ่งถ้ามันเตาบ้าผมมั่นใจว่าล้อก็รับแต่มันก็ผ่านช่วงนั้นไปมันก็ไม่ได้เตาบ้ามันก็เลือกที่จะฝ่าฝืนเราเลือกทางเดินชีวิตของเราเองเพราะนั้นเราดีกว่านี้ได้ครับไม่ว่าอาดีตเราจะแย่แค่ไหนจะผ่านอะไรมาก็ตามกับเนื้อกับตัวขอไปโทษต่อล้อทตัวให้ดีขึ้นทาวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานพยายามทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆชาๆครับ เราจะได้คุณลักษณะหรือว่าตัวตนที่ดีงามหรือว่าคุณสรุปแน่นอนอินเชา้าแล้วครับผมพี่น้องคลิปเล็กครับจริงๆก็อยากจะมาชวนพูดต่อนะครับแต่ว่าหัวข้อต่อไปก็คือเราพูดถึงโทษมหันของลิ้นไปแล้วของปากไปแล้วต่อไปที่อยากจะชวนคุยก็คือคุณอนันต์ของปากทุกอย่างมันมีทั้งข้อเสียกับข้อดีครับบางท่านอาจจะบอกว่าคุยเรื่องปากมีแต่ไม่ดีเหรอดีเนี่ยมีเยอะข้อดีของการใช้ปากเนี่ยมีเยอะมากครับผม เพียงแต่ว่าผมต้องขอเตือนเกียกับอันตรายก่อนเพราะมันเป็นเรื่องที่มันง่ายกว่ามันตรงกับนับสูมากกว่าคือไอ้เรื่องหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องถนัดของมนุษย์แทบจะทุกคนอะไรดีเนี่ยมันทํายากทําเย็นอะไรไม่ดีเนี่ยมันทําง่ายเพรา ะ, ะนั้นเราก็เอาเรื่องที่อันตรายเนี่ยมาเตือนกันไว้ก่อนครับครับเพี่น้องครับคุณลุ ม, มานแห ล, ละครับผมจากมินบรีแล้วฟังอยู่บารักรลอฟฟีกคุมครับผม ผมคาดว่าเราอาจจะขอยกในส่วนของอัลกอริมึมตยิบ้าหรือว่าคําพูดที่ดีที่มันจะส่งผลให้กับเราทั้ง3ข้อนะครับไว้ในตอนต่อไปแล้วกันนะครับผ ม, มชาวล้อครับเพราะว่าไฟล์จะได้ไม่ยาวเกินไปด้วยเนาะแล้วก็จะได้แยกเป็นหมวดเป็นหมวดเลยชัดเจนครับก็ถ้าเกิดท่านใดที่รู้สึกว่ามัน อ, อ, อยากให้กระชับอยากให้เร็วกว่า น, นี้สามารถเบนได้ทักทายกันได้นะครับเพราะว่า ก็อยากให้พี่น้องได้รับประโยชน์มากที่สุดเพราะบางทีผมอาจจะคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดพี่น้องรู้สึกว่ามันหนักไปเราก็เราแชร์กันได้แล้วแล้เปลี่ยนกันได้เพราะว่าอยากจะให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไม่อยากจะให้เกิดฟิตรนะไม่อยากจะให้เกิดควา ม, มวุ่นวายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีกับการที่ว่าเราเข้ามาร่วมสิ่งดีๆเข้ามาร่วมในการพูดคุยคําพูดของพวกเลาก็อยากพูดคุยในรูปแบบที่ว่าอย่างประโยชน์กับพวกเราทุกคนมากที่สุดเยอะไปก็ใช่ว่าจะดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก ส่งเป็นข้อความส่วนตัวก็ยินดีเช่นเดียวกันครับผมพี่นกที่รักที่งครับอัลกุรอานเนี่ยครับคือคําพูดของพู้อัลลอฮ์เป็นคําพูดที่ว่าประเสริฐที่สุดในโลกนี้โดยที่ไม่มีข้อกังขาใดๆอีกแล้วสําหรับมุสลิมผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญกับอัลกุรอานให้มากขึ้นกว่าที่เราให้ความสําคัญอยู่ในปัจจุบันเราอ่านเท่าไหร่พยายามอ่านให้มากกว่านี้เพราะว่าการอ่านอัลกุรอานนั้นเป็น ความดีงามเป็นผลบุญให้กับพวกเราแล้วก็แน่นอนครับเป็นสิ่งที่ว่าจะทําให้จิตใจของเราสงบขึ้นยิ่งใครรู้สึกว่าจิตใจเนี่ยมันร้อนรุ่มทําอะไรกับใจรู้สึกสมาธิไม่นิ่งไม่แน่วแน่อะไรก็ตามแต่อ่านอัลกุรอานเวลาอ่านเนี่ยพยายามตัดขาดกับโลกภายนอกเลยก็ถือว่าระหว่างเรากับอัลลอฮ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์อยากได้ความเมตตาอยากได้ความช่วยเหลืออยากได้กําลังใจพี่น้องได้จากพวกอัลลอฮ์ครับเหมือนกับที่ผมย้ําเป็นประจำว่าความรักที่อัมตะอย่างแท้จริง ไม่มีความรักใดอีกแล้วจะสู้ความรักของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเราทุกคนได้แล้วก็ในหมู่มวลมนุษยชาติไม่มีมนุษย์คนไหนจะรักเรามากกว่าท่านลบียมุสลิมของอาลีบัสลามแล้วเพรานะฉะนั้นอ่านอัลกุรอานมากๆสาว่าเทียกับท่านลบียมุสลิมของอาลีบัสลามมากๆแล้วก็เป็นไปได้ถ้าเกิดพี่น้องได้ศึกษากุรอานหรือเข้าใจอัลกุรอานเวลาอ่านอัลกุรอานถึงตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็ให้คิดไข้ควรไปด้วย เราจะได้อีหมานเพิ่มเข้าไปจากอีหมานที่เรามีอีกอินชาอัลลอฮ์ครับผมวนอนัสรุมนาลกุรานีมาห์วะชิฟะอูอาระห์มาตุลิลมุมีนีนะครับเราได้ประทานยาลกุรานเป็นยารักษาเป็นการเยียวยาเป็นสิ่งที่อิางามให้กับผู้ที่ศรัทธาครับผมก็ขอละตอบแทนพวกเราทุกคนด้วยความดีงามนะครับว่าขอให้พวกเรานั้นมีหัวใจที่รัก คำพูดของพระงค์รักคัำพีของพระงค์รักศาสนาทูตของพระงค์รักศาสนาของพระองค์แล้วก็ขอให้เรานั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มบาตที่ว่าพยายามทําตัวให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ขอให้เรานั้นได้คุณลักษณะที่ถูกเรียกว่าเป็นคุสนุคุลุกตัวตนที่ดีงามอยู่ในตัวของเราด้วยเถิดนะครับอาเมนครับผมอัลกุลกุลีฮะดะบัสักฟุลลอฮ์ลิวะลักุมวริซาลิมุสลิมีนมินคุลิดะัสักฟุรูอินน้ฮูฮุลกัฟูร์อัลรหิม سبحانك اللهم و ب ح م ك ا ل ه ل ا ت أ س لي و د ع ن ا إن الحمد لله رب العالمين قسرا ع ل ي ك t u l l a h wabarakatuh ah